เราคะกับจิตพระพุทธภาสิทธยะถาอคารังทุตฉันนังวุตถีสมติวิชติเอวังอภาวิตังจิตตังราโคสมติวิชิติยะถาอคารังสุตฉันนังวุตถีนะสมติวิชิติเอวังสุภาวิตังจิตตังราโคนะสมติวิชติ ความว่าเหมือนอย่างว่าเรือนที่มุงไม่ดีฝนย่อมรั่วรถได้ฉันใดจิตที่ยังไม่ได้อบรมให้ดีก็ฉันนั้นราคะย่อมเสียดแทงได้ส่วนเรือนที่มุงดีฝนย่อมรั่วรถไม่ได้ฉันใดจิตที่อบรมดีแล้วก็ฉันนั้นราคะย่อมเสียดแทงไม่ได้อธิบายความราคะตามตัวอักษรแปลว่ายอมมาจากรากศัพท์ว่าระชะ หมายความว่าย้อมจิตให้แปล ร, รูปไปเสียปกติภาพของจิตทำให้เห็นวิปริตวิปราชว่างงามแม้ในสิ่งอันไม่งามเหมือนสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของสวมแว่นเขียวให้ทำให้มองเห็นหญ้าแห้งฝางแห้งเป็นสีเขียวสดไปหมดสิ่งที่ไม่งามคือกายนี้เพราะเต็มไปด้วยของไม่สะอาดในภาษาไทยนิยมแปล ร, ราคะว่าความกาหนัด ก, กล่าวคือความใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสและผดทพะ ราคาคือความกำหนัดในการมีอิทธิพลต่อชีวิตคนมากนักจิตวิทยาบางท่านเช่นซิกมันฟลอยได้มีความเห็นถึงกับว่าพฤติกรรมทั้งปวงของมนุษย์มีความกำหนัดในการเป็นแรงกระตุ้นทั้งสิน้นคนทั่วไปก็มองเห็นว่าราคามีแรงผลักดันรุนแรงเพียงใดเป็นสิ่งเสียแทงจิตใจให้รุ่มร้อนและกลัดกลุ่มเพียงใดคนส่วนมากไม่สามารถเอาชนะได้ จึงต้องระหกระเหินและบอบช้ำด้วยความทุกข์นานาประการพระพุทธเจ้าตรัสว่าสังกัปปาราคะคือความกำหนัดเพราะการดำริถึงเป็นกามของบุคคลสังกัปปาราโคบริษัทสาโมกามเกิดจากความดำริตรึกสังกัปปากามะชายสิดูก่อนเจ้ากามเจ้าเกิดจากความดำรินี่เอง ราคะหรือการหรือกามราคะนั้นมีอิทธิพลเหนือจิตใจของคนเป็นอันมากบางคนสามารถควบคุมได้ก็ไม่ถึงกับประพฤติผิดศีลธรรมและขนบธรรมเนียมของโลกแต่บางคนควบคุมไม่ได้ในบางกาละเทศะได้ประกอบกรรมอันน่าบัตรสีเพราะการมราคะนั้นต้องติดคุก บ, บ้างเสียทรัพย์สินบ้างเสียชื่อเสียงบ้างมันได้ทาให้คนเสียคนมาม า, มากแล้วตกนรกก็มากแล้ว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 เหมือนเรือนที่มุงบังไม่ดีฝนตกทีไรคนอาศัยก็เปียกที่นั้นการอบรมจิตจึงเป็นทางลดราคะให้น้อยลงจนสิ้นไปในที่สุดในอังคุตระนิกยทุกกนิบาศพระไตรปิฎกเล่ม20สหน้าเจ็เจท่านกล่าวว่าจเจริญสมถะเพื่ออะไรตอบว่าเพื่ออบรมจิตถามว่าอบรมจิตเพื่ออะไรตอบว่าเพื่อให้ละราคะได้ จึงได้ความว่าวิธีอบรมจิตก็คืออบรมด้วยสมถะได้แก่การทำจิตให้สงบเป็นขั้นขั้ น, นท่านเรียกว่าฌานตั้งแต่ฌานที่หนึ่งจนถึงฌานที่สเป็นภาวะที่จิตสงบปราณีขึ้นไปตามลำดับ mm. เมื่อได้ฌานตั้งแต่ปฐมฌานเป็นต้นไปกามมัชันทะคือความพอใจในการก็สงบราบคาบลงชั่วคราวท่านเปรียบเสมือนศิลาทับา้าแต่กามราคะจะถูกถอนราก ถอนเชือก็โดยอนาคามีมักอันเป็นมักชั้นที่สมเรื่องประกอบพระนันทะพระนันทะมีความเกี่ยวข้องเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าเมื่อนันทะกุมารเข้าพิธีบงคลสมรสกับนางชนบทกาลยานีนั้นได้ทูลเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จมาเสวยในงานด้วยเมื่อเสวยเสร็จแล้วจะเสด็จกลับนิโครธาราม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 ไปขวางอยู่ในหาไทยของนันทกุมารกุมาร น, นันทะเกรงพระไทยพระศ า, าสดาแม้ไม่สมัครใจอุ้มบาดตามสเสด็จแต่ก็ไม่กล้าทูลขอให้รับคืนจึงต้องอุ้มตามไปเรื่อยเมื่อถึงนิโคราทารามพระศาสดาตรัสถามว่าบวชได้หรือไม่แม้พระไทยจะไม่สมัครแต่ไม่กล้าทูลปฏิเสธจึงทูลรับว่าบวชก็ได้พระศาสดาจึงรับสั่งให้เบีุ้ทั้งหลายจัดการบวชให้นันทกุมาร แต่เมื่อบวชแล้วก็ไม่เป็นอันบำเพ็ญสมณธรรมสมณกิจอะไรเพราะใจของท่านมัวผวงถึงแต่เจ้าสาวชนบทกัลยาณีเพราะคำพูดและกิริยาอาการของนางเป็นประหนึ่งตกไปขวางอยู่ในฮาไทยดังกล่าวมาแล้วอันหนึ่งคู่แต่งงานย่อมหวังความสุขในการครองคู่หวังการชื่นชมซึ่งกันและกันเมื่อถูกพรากทั้งๆ ท, ท, ท, ที่ยังไม่ได้ชื่นชมเช่นนี้ย่อมมีความสะเือนใจมาก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 เสด็จมาเสวยในพระราชวังพระกุมารเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วมองดูพระศาสดาอยู่ได้ความเสน่หาในพระบิดาวงเล็บเป็นไปตามสัญชาตญาณร่าเริงยินดีอยู่แล้วทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระสมณะร่มเงาของเสด็จพ่อสบายเหลือเกินและทูลคำเหืออื่นอีกมากตามระสาเด็ก พระาศาสดาไม่ตรัสอะไรสะเสด็จพัตกิจแล้วทรงอนุโมทนาแล้วสเสด็จลุกจากอาสนะเสด็จกลับราหุนกุ ม, มารตามสเสด็จมาข้างหลังทูลขอสมบัติว่าข้าแต่พระสมณาขอได้โปรดประทานมรดกแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระาศาสดามิได้ตรัสอะไรและไม่ได้ตรัสให้พระกุ ม, มารกลับคนอื่นๆก็ไม่กล้าเชิญพระกุ ม, มารให้สเสด็จกลับเหมือนกันราหุนกุ ม, มารจึงตามสเสด็จจนถึงนิโครทาราม พระศาสดารับสั่งพระสารีบุตรบวชราหุนกุมารเป็นสามเณรทั้งนี้เพราะทรงต้องการให้อริยทรัพย์แทนโภคทรัพย์พระเจ้าสุโธธนะพุทธปิดาทรงสดับข่าวเรื่องพระราหุนบวชทรงโทรมนัดอย่างยิ่งเพราะทรงหวังให้พระราหุนครองราชสมบัติต่อจากพระองค์เมื่อไม่สามารถคั้นความโศกและความทุกข์นั้นได้จึงเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทูลขอพรว่าพระเจ้าข้า หม่อมชันโขลประทานพระวโรกาสพระองค์และพระภิกษุสาวกของพระองค์ไม่ควรให้บุคคลที่มารดาบิดายังไม่อนุญาตบวชพระศาสดาทรงใคร่ควรแล้วทรงประทานพร น, นั้นแด่พระเจ้าสุโทธทนะและทรงประกาศให้สงทราบว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกุลบุตรผู้จะบวชจะต้องได้รับอนุญาตจากมารดาบิดาหรือผู้เกี่ยวข้องก่อนจึงให้บวชได้ วันรุ่งขึ้นพระาศาสดาเสวยพระกยาหารเช้าที่พระราชนิเวศเสร็จแล้วพระเจ้าสโธธนะทูลเล่าว่าพระองค์ผู้เจริญเมื่อพระองค์บำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่นั้นมีผู้มาบอกข้าพระองค์ว่าพระองค์ที่วงคตเสียแล้วแต่หม่อมชั้นไม่เชื่อหม่อมชั้นคัดค้านว่าบุตรของหม่อมชั้นจะไม่ที่วงคตหากยังไม่ได้บรรลุโพธิญาณพระาศาสดาตรัสว่า แม้ในชาติก่อนพระองค์ก็ไม่ทรงเชื่อมาแล้วเหมือนกันคือในสมัยที่อาตมภาภาพเป็นธรรมปาละกุมารไปศึกษาศิลปศาสตร์ที่เมืองตักกะศิลาอาจารย์ทิสาปาโมกใค่ทดลองจึงนำกระดูกแพะห่อผ้ามาให้พระองค์ดูว่าบุตรตายเสียแล้วนี่คือกระดูกแต่พระองค์กลับทรงพระสวนไม่ทรงเชื่อและบอกอาจารย์ทิสาปาโมวกว่า ตระกูลของเราประพฤติธรรมไม่มีใครตายตั้งแต่ยังหนุ่มสาวอาจารย์ทิสาป่าโมกจึงยอมบอกความจริงธรรมปาละกุมารครั้งนั้นคืออัตมภาพบิดาของธรรมปาละคือพระองค์พระาศาสดาตรัสธรรมปาละชาดกโดยพิสดารแล้วยังพระธรรมเทศนาให้วิจิตด้วยกุณาลังการทั้งปวงเพราะทรงเป็นธรรมราชาและทรงประกอบด้วยคุณสมบัติ เทสนากโกสนเมื่อจบเทสนาพระเจ้าสุโธธนะได้บรรลุอนาคามิผลพระาศาสดาเสเด็จกลับไปยังกรุงราชฤท์ทรงสำหรัานพระอิริยาบทอยู่ระยะหนึ่งแลว้วรับอรราธนาของอนาถะบิณิกะเศษฐีเสเด็จไปยังกรุงสาวัตถีประทับอยู่ณเชตวนารามในการเสเด็จครั้งนี้พระนันทะตามเสเด็จด้วยขณะเมื่ออยู่เชตวนารามนั้นเอง พรนัน thag ศรัณยักษิตจึงบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าท่านไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถสืบพรหมจรรย์ต่อไปได้จะขอคืนศิกขาลาศึกพระาศาสดาทรงทราบเรื่องนี้แล้วรับสั่งให้พระนันทะเข้าเฝ้าตัดถามเรื่องนั้นพระนันทะทูลรับว่าจริงตัดถามว่าเพราะเหตุไรจึงอยากเสร็จพระนันทะทูลว่าข้าแต่พระองค์เมื่อข้าพระองค์ออกจากเรือนบวชนั้น นางชนบทกรยาณีคู่แต่งงานของข้าพระองค์มีอาการโศกอย่างลึกซึ้งได้ขอร้องว่าข้าแต่พระลูกเจ้าขอจงรีบกลับนะข้าพระองค์หัวน่ลึกถึงคำนั้นอยู่คำนั้นประหนึ่งลงไปขวางอยู่ในหาไทยของข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงไม่ยินดีประพฤติประมาจันใคร่ศึกพระเจ้าข้าตำนานเล่าว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงสดับคำนั้นแล้วทรงจับแขนพระนันทะนำไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึง ด้วยกำลังลิศในระหว่างทางได้พบนางลิงรุ่นตัวหนึ่งนั่งเจ่าอยู่บนปลายตอไม้ที่ไฟไหม้นางลิงนั้นจมูกและหางขาดพระศาสดาทรงให้พระนันทะพบกับนางเทพอปรรหร้อ0ผู้มาสู่ที่บำบุงของท้าวสกเทวรานันทะเธอเห็นอย่างไรนางชนบทกรยานีกับนางเทพอภรรเหล่านี้ใครสวยกว่าเทียบกันไม่ได้เลยพระเจ้าข่าพระนันทะตอบ นางเทพอภิสรสวยกว่ามากถ้าจะเทียบแล้วนางชนบทกัญญาณีเป็นเหมือนนางลิงรุ่นที่พบในระหว่างทางแต่นางเทพอภิษฎเหล่านี้สวยจริงๆพระเจ้าข่าเธออยากได้ไหมนันทะขราพระองค์ต้องการพระเจ้าข่าถ้าอย่างนั้นเธอจงประพฤติพรหมจรรย์จงย็นดีบําเพ็ญสมณะธรรมเราจะเป็นประกันให้เธอได้นางเทพอภิษฎเหล่านี้ ข้าแต่พระองค์หากพระองค์ทรงเป็นประกันข้าพระองค์ก็จะยินดีประพฤติประมาจันต่อไปเพื่อให้ได้นางเทพอัปรสรเหล่านี้ถ้าท่านผู้อ่านเชื่อตามนี้ก็แล้วไปแต่บางท่านให้ข้อสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระศาสดาทรงพระพระนันทะไปสมสตรีงามในวังของพระเจ้าพระเศนธิโกศลหรือในวังเจ้านายแห่งกรุงสาวัตถีนั่นเองซึ่งนิยมเลี้ยงสตรีงามไว้บำรุงบำรเรอ ถ้าหากเป็นจริงอย่างข้อสันนิษฐานนั้นความงามของเจ้าหญิงแห่งสาวัถีจะสูงกว่าความงามแห่งเจ้าหญิงสากยะถึงขนาดอย่างที่พระนันทะพูดเฉลยดูห่างไกลกันเหลือเกินอันหนึ่งพระนันทะรักเจ้าหญิงแห่งสากยะอยู่ความรักย่อมช่วยเติมความงามลงไปช่วยอยู่แล้วข้าพเจ้าอย่างสันนิษฐานไม่ออกว่าเรื่องจริงควรจะเป็นอย่างไรจรึงคงไว้ตามตำนานที่ท่านกล่าวไว้ พูดถึงพุทธวิสัยนั้นเป็นไปได้มากมายอย่างที่สามัญชนคาดไม่ถึงเมื่อภิกษุทั้งหลายทราบว่าพระนันธะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้ได้นางอระสรก็พากันพูดต่อๆกันไปใครพบท่านก็ถามบางก็ยิ้มย่ะและมีกิริยาอาการอัดอัให้เห็นว่าไม่ได้นิยมชมชอบในพระนันทะแต่ประการใดบางก็ว่าพระนันทะเป็นพระรับจ้างบางก็ว่าพระนันทะเป็น ผู้อันพระผู้มีพระภาคทรงเป็นประกันไว้พระนันท h ประพฤติพรหมจรรย์เพียงเพื่อให้ได้นางเทพปรสรหาใช่เพื่อความหลุดพ้นอันแท้จริงไม่ด้วยประกันชนีพระนันทะจึงละอายอยู่ขวยเขินอยู่รังเกียจอยู่ซึ่งคําพูดทํานองนั้นของภิกษุทั้งหลายจึงปีกตนออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรไม่ได้อะไรในชีวิตไม่นา น, นักพระนันทะก็สามารถบรรลุอรหัตผล ในคืนที่พระนันทะบรรลุพระอรัตผลนั้นเองเทวดาองค์หนึ่งมายังวัดเชตวันกราบทูลความที่พระนันทะได้บรรลุอรัตผลแล้วแด่พระศาสดาแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงรู้ความนั้นด้วยญาณของพระองค์แล้วเหมือนกันรุ่งอรุณพระนันทะเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลว่าข้าแต่พระองค์ข้อที่พระองค์ทรงเป็นประกันข้าพระองค์เพื่อให้ได้นางอัปสรห้ารอนั้น บัดนี้พระองค์ได้หลุดพ้นจากภาวะผู้ประกันนั้นแล้วพระศาสดาตรัสว่านันทะเรารู้แล้วและเมื่อคือนนี้เทวดาองค์หนึ่งก็มาบอกเราว่าเธอได้หลุดพ้นจากกาสะวะทั้งปวงแล้วนันทะเมื่อจิตของเธอพ้นแล้วเพราะความไม่ยึดมั่นเราก็พ้นจากภาวะผู้รับรองหรือผู้ประกันพระศาสดาทรงอุทานด้วยความชื่นมสมยินดีว่า เปือกตมคือกามหนามคือกามอันผู้ใดย่ำเยีได้แล้วข้ามได้แล้วผู้นั้นถึงความสิ้นโมหะย่อมไม่วันไหวในสุขและทุกขวันหนึ่งภิกษุถามพระนันท h ว่ายังอยากสึกอยู่หรือไม่พระนันท์ตอบว่าความอะไรในเพศเครือขัดมิได้มีอีกแล้วภิกษุทั้งหลายเข้าใจว่าพระนันท์พูดไม่จริงหวดอ้างอารหัตผลจึงพากันไปทูลพระศาสดา พระผู้มีพระภาคตรัสว่าจริงของนันทะเมื่อก่อนนี้จิตของนันทะเหมือนเรือนที่มุงไม่ดีฝนคือราคะรั่วรถได้แต่บัดนี้จิตของนันทะเหมือนเรือนที่มุงดีแล้วนันทะบรรลุอรตัตตผลแล้วดังนี้แล้วตรัสพุทธภาสิต ท, ที่ยกขึ้นกล่าวแล้วแต่เบื้องต้นว่าเหมือนอย่างว่าเรือนที่มุงไม่ดีฝนย่อมรัวรถได้ฉันใดเป็นต้น ต่อมาภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นอัริยบุคคลที่สามารถหาอุบายให้พระนันทบรรลุพระอรหัตผลได้พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามทราบความแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่เพียงแต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนนันทะก็ถูกล่อด้วยมาตุ ค, คามแล้วเหมือนกันเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลขอร้องให้เล่าเรื่องนั้นจึงทรงนำอดีตนิทานมาเล่า ว, ว่า ในอดีตการพ่อค้าคนหนึ่งในเมืองพาราณสีบรรทุกสินค้าบนหลั ง, ล, งลาไปค้าขายที่เมืองตะกะศิลาเมื่อไปถึงที่แล้วได้ปล่อยลาให้เที่ยวหากินจนกว่าตนจะขายของหมดลาไปพบนางลาเข้าตัวหนึ่งจึงเข้าไปหาท่านมาจากไหนนางลาปฏิสันฐานมาจากพาราณสีลาตัวผู้ตอบมาทำไมบรรทุกของมาขายของมากไหมมาก ของมากอย่างนั้นท่านเดินทางได้กี่โยต์จึงหยุดทีหนึ่งเดินเจโยต์หยุดทีหนึ่งเมื่อท่านพักมีนางลาช่วยนวดเท้าช่วยประครบประงมบ้างไหมไม่มีเลยน่าสงสารนางลาเปรยพ่อค้าใจดาจิงอยู่การ น, นวดเท้าเป็นตนย่อมไม่มีในหมู่สัตว์เดรัจฉานแต่นางลาถามเพื่อพาดเพ่งถึงการสังโยก อาการถามอย่างนั้นประกอบกับกิริยาท่าทางของนางลาทำให้ลาผู้กะสันขึ้นมีจิตปฏิพั์ในนางลาสตรีทั่วไปเมื่อชายชอบย่อมพูดจาเป็นเชิญเปิดทางอยู่บ้างไม่มากก็น้อยชายที่ฉลาดย่อมพอรู้ได้แต่มีชายงงง่วบางคนที่พอสตรีทำดีด้วยเพียงเล็กน้อยก็เข้าใจว่าเธอรักเสียแล้วพ่อค้าขายของเสร็จกลับมาแต่ลาไม่ยอมไปด้วย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 จึงว่ามาเถิดไปด้วยกันเมื่อถึงที่แล้วเราจะนํานางลาอันมีกายงามหน้าเหมือนสังมาให้เจ้าลาได้ฟังดังนั้นมีใจยินดีบอกว่าถ้ากันนั้นจะเดินให้เร็วขึ้นอีกเท่าตัวเมื่อไปได้สองสามวันลาก็ถ า, ถามถึงเรื่องนางลาที่พ่อค้าสัญญาจะให้พ่อค้าจึงกล่าวว่าเราจะไม่ทาลายถ้อยคาของเราเราจะนาภรรยามาให้เจ้าแต่จะให้อาหารให้เพียงพอแก่เจ้าเพียงผู้เดียว ภรยาของเจ้าและลูกของเจ้าที่เกิดตามมาเราไม่รับรู้ด้วยเจ้าต้องหาเลี้ยงเขาเมื่อพ่อค้าพูดอย่างนี้ลาก็ขคอตกหมดหวังพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายลาในครั้งนั้นคือนันทะนางลาคือนางชนบทกรลยานีส่วนพ่อค้าคือตัวเราเองนันทะได้เคยถูกล่อด้วยมาตุคามมาแล้ว อย่างธรรมกถาสาทยสมันเตหิสันลเกตาภาตี คงเกี่ยวข้องกับบรรพชิตถะาส่วนมากอปุปสรรคสำคัญหลายอย่างก็ดังที่ท่านได้กล่าวแล้วนะนะถ้าจิตไม่มั่นคงนะนะไม่ตรงต่อเพศบรรพชาหรือในการผสมบทจริงๆก็ยากที่จะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้นะ ดัะนั้นอุปสรรคเหล่านี้ก็เกิดขึ้นที่ความดำริดังที่กล่าวแล้วเมื่อวานถ้าความดำริชอบตามมาัตดำริเพื่อจะออกจริงๆมันก็ไม่มีอุปสรรคแต่ถ้าอย่างโลเลลังเลมันก็จะก่อกวนทำให้เราไม่ปักใจแม้ในการศึกษาในการเรีเรยนในการควนควาย ที่จะบำเพ็ญสมณธรรมก็ไม่มีกระจิตกระใ จ, จากงนั้นผู้ที่ท่านสำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมายของท่านนั้นท่านมีชันทะมีระยะจิตตะวิมังสาก็เรียกว่ามีอิทธิบาทมีอิทธิบาทพร้อมแม้จะเจอประสักกำลังแห่งธรรมของท่านก็มีกำลังมากกว่า ท่านก็ไม่คันคร้ามอย่างประวัติครูบาอาจารย์ท่านก็มีเหมือนกันแต่พลังแห่งธรรมของท่านมีมากท่านสู้ด้วยธรรมเมื่อสั่งสมธรรมพลังธรรมก็ย่อมเกิดขึ้นเหมือนที่อธิบายไว้ถ้าสั่งสมอะไรคิดไปในทางใดอันใดมันก็มีกําลัง ถ, ถ้าคิดไปในแนวแห่งสัมมาทิฏฐิ สิ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ต้องลดลงมันน้อยลงนอุบายที่สำคัญก็คือการรู้จักคิดรู้จักพิจารณ า, าหาอุบา ย, ายด้วยการศึกษาด้วยการได้ยินได้ฟังหรือเข้าใกล้นยียอุบายครูบาอาจารย์แต่ก่อนนั้นว่าให้แอบเข้าไปหาผู้ปฏิบัติเนเราต้องสังเกตว่าเราก็ยังไม่แน่นอนไม่มั่นคงนจิตใจรวลเร่เนี่ย ถ้าเราไม่เลือกการครบหาสมาคมรรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านแล้วก็ยังไปหาคนที่จิตฟุ้งซ่านด้วยกันเนี่ยพอเข้าไปมันก็ดึงกันไปเลยทีนี้ก็ยิ่งหนักยิ่งเพิ่มยิ่งเพิ่มกําลังในส่วนที่มันจะดึงไปให้มันมากขึ้นเนี่ยถ้าเราแอบเข้าไปหาท่านพุทรู้หรือบัณฑิตเนี่ยจิตก็จะเปลี่ยนไปเนี่ย ท่านก็จะกล่าวถึงในสิ่งที่ให้เกิดกำลังใจเหมือนเราฟัง เ, เรื่องของท่านประมหาบาลแต่ท่านมีอุปนิสัยฟังธรรมครั้งเดียวเท่านั้นแต่ว่าท่านได้เคยสั่งสมบุญบรารมีมาเอ้เออชีวิตนี่มันก็ไม่มากมายอะไรอีกหน่อยก็จะต้องละสิ่งทั้งปวงไป มีอะไรก็ทิ้งไว้ในโลกนี้ทั้งนั้นเนี่ยประโยชน์อะไรเราจะต้องสแสวงหาสิ่งที่ไม่เป็นแกนสารนหาได้มาคิดว่าเป็นของเรามันก็ไม่เป็นของเรานี่สุดท้ายมันก็เป็นของโลกหรือคนอื่นมาใช้สอยต่อไปเนี่ยสิ่งที่เราตั้งใจทุ่มเทให้ทั้งชีวิตเนี่ยบางทีก็จะกินให้อิ่มจะใช้ให้สบายก็ยังไม่ถึงตรงนั้นเลยชีวิตมันก็จบลงก่อนน ยังไม่ได้เต็มตามความปรารถน า, างนั้นแต่มัจุราชก็มาดึงกับไปเซียลราไปเสียเนี่ยท่านก็เลยมีจิตน้อมไปสู่บรรพชาเนี่ยแต่ก็ตรงกันข้ามกับน้องของท่านนี่ไม่แน่เมื่อคิดไปคนละข้างแล้วก็ไปคนละขั้วกําลังก็ต้องมีแน่นอนเนี่ยคนคิดไปหนักไปในทางโลกหรือในทางการมัฟวิตกพยาบาทพิตกมันก็หนักไปในทางโ น, น้นเนี่ยวันวันก็คิดแต่เรื่องนั้นเนี่ย ไม่ได้มีอุบายวิธีที่จะบังคับจิตใจของตนให้คิดกลับคิดทวนกระแสไม่มีอุบายนี่มันก็เลยตกหลุมพลางของพระยามัจุราชก็เห็นดีเห็นงามเห็นชอบไปด้วยอาจารย์ไทยอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก็เออได้กำลังใจแม้ใจมันจะคิดบ้างบางครั้งบางคราวเพอได้ฟังทำงอะไรบ้างก็เออเด ชุ่มชื่นมาอีกหน่อยออมีกำลังขึ้นมามันก็อย่างนี้ เ, นเห็นไหมลูกศิษย์หลวงพ่อชาบางท่านบางองค์นี่ท่านเล่าอยากศึกเหมือนกันอยากจะศึกเอาแล้วเอาแล้วเอาเล่าเนะี่ยมันก็มีองค์หนึ่งถือขันแล้วขันอีกดอกไม้จนเหี่ยวแห้งจนปลดอะไราตายอยากที่จะลาศึกขึ <c> ้น <oughs> เลิกไปก่อนท่านก็ส่งนี้ไปนี้ไปสาขา เพอไปไปจิตใจมันเปลี่ยนได้เนี่ยพอนันไปก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนไปก็อยู่ได้จนถึงปัจจุบันเนี่ยองหนึ่งก็อยู่ด้วยกันเราก็ไม่รู้กันบวชตั้งใจบวชพรรษาหนึ่งก็บวชทั้งผมจะซึ้งท่นบอกไม่อยู่แล้วท่านก็พูดเนี่ยคนพูดอย่างนี้ก็แปลงนะแต่ก็อยู่ได้พูดพอเจอกันผมจะสึกผมจะสึก ให้อยู่จนปานนี้ยังอยู่แต่ว่าไม่เคยเจอแัน้นี่นี่มันไม่แน่นอนนะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือการที่ได้เข้าใกล้ครูบาอาจารย์ผมเคยเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อผัดท่านสิ้นไปแล้วท่านก็มาอยู่ทั้งนี้มาอยู่ทั้งชนบุรีนี่อยู่วัดน้องเลงท่านก็สิ้นไปแล้วตอนอยู่กับหลวงพ่อชาแรกๆท่โอ้ยอยากศึกมากนี่ ไปหาแล้วหาอีกแต่ละวันเนี่ยเต้วันนั้นเหมือนคิดแต่จะสึกอย่างเดียวฝุ่งสา้ารลำคาญแต่ไปทีไรหลวงพ่อไม่รับสักทีพอเห็นว่าต้องหาอุบายหลบไปที่อื่นเลยไม่ได้จังหวะหรือบางทีมีแขกเจอกันกทั้งว่าใกล้เข้าบรรษาไก่เข้าบรรษาก็กำลังว่าจะเข้าเวลานบอกว่าท่านพัดเนี่ย ไปจำพรรษาที่วัดเขื่อนนะตอนนี้กำลังสร้างวัดเขื่อนก็ผมจะเหมือนพันดันตาผมเกรงใจว่าหลวงพ่อชาก็เป็นที่เคารพบ้านเดียวกันด้วยพอท่านพูดอย่างนั้นก็ท่านพูดอย่างนั้นก็ด้วยความเคารพท่านก็ไม่กล้าพอไม่กล้าก็เลยย้อนมาเตือนตนเองอยู่มาทั้งพรรษาอยู่ได้อีกพรรษาหนึ่งมันคงไม่ตายมั้งเห็นไหมก็เลยทนอยู่ได้ก็เลยไปอยู่วัดเขื่อน ไปอยู่วัดเขือนกับหลวงปู่ีนี่หลายองค์อยู่ด้วยกันนะนี่ไปอยู่ที่นั่นก็ได้ศึกษาได้อบรมได้เจริญกรรมฐานในช่วงน้นก็คิดเหมือนกันนั่นว่าแต่คิดแต่คิดคนละแบบทีนี้ไปที่นั่นมันกันดานสมัยแรกๆ ก, กันดานมากที่วัดเกือนเฉลนีนทอนบินตะบัดกว่าจะได้นี่ก็เป็นสิกิโล กลับมาก็20กิโลเนี่ยเป็ธรรมดาเนี่อาหารก็ตามบ้า น, นอกค อ, อกนาเนี่ยแล้วมันอาหารได้มามันก็ไม่มีใครมาทาเพิ่มให้เหมือนในวัดเนี่ท่านบอกว่าโอ้ยไม่ได้สดแกงสักทีอยากสดแกงก็ไม่ได้สดนึกถึงแกง <c oughs> จนอยากสิ้นกันหม อ, <c oughs> อยากจะสดน้ําแกงอยากสิน้นปุ่มไปสุดท้ายพอมาน้องปราพง์ ก็มีเพ be ื่อนชวนเดินเดินเที่ยวเดินก็อยากลองในในบวทในชีว well in ิตหนึ่งแล้วได้ทดลองทดสอบบ้างเขาว่าเดินเป็นยังไงทุ่ดงเป็นยังไงเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเนี่ยก็เรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอะไรไปเนี่ยก็ทําให้อยู่ได้พอเข้าสี่พรรษาอยังไงหลวงประพงศ์หลวงพ่อก็ส่งให้ไปอยู่กับหลวงปู่กินาลีอีก แต่ไปนั่นก็เนื่องจากท่านมีบุญคุณเนาะท่านฝากฟังเอาไว้หลวงพ่อก็ส่งลูกศิษย์ไปไปประถากอยู่กับหลวงพานำเนี่ยสององค์เนี่ยว่าต้องไปอยู่อย่างน้อย2ปีเนี่ยสั่งบังคับไปอยู่สองปีประถากหลวงปู่กินารีอยู่เนี่พอท่านกลับผมก็ได้ไปแต่ก็ไปไม่นานนไปตอนนั้นไปป่วยด้วยเพราะว่ามีหมออยู่ที่นั้นหลวงพ่อก็เลยให้ไป ได้ไปอยู่ป่าถากหลวงปู่ด้วยเนี่ยหลวงปู่ปัดท่านกลับมาท่านก็อยู่ของท่านได้เนี่ยแต่ท่านก็ยอมรับนะได้คุ้นเคยกับท่านพ่อบ้านอยู่ใกล้กันเวลาได้สนทนาท่านก็เล่าให้ฟังมันขนาด6กเจ็ดพันสาเนี่ยมันยังอยากสึกอยู่เลยท่านว่าอยากสึกบอกว่าที่อยากสึกเพราะอะไรเนี่ยท่านว่าแม่มันแต่ไม่คนเราไม่เหมือนกันเนี่ยท่านบอกว่าท่านชอบเล่นไก่ชนเนี่ย เล่นไก่ชนเพราะสมัยเป็นโยมเนี่ท่านจะรักไก่ชนมากเนี่ยท่านจะเอานอนไว้ข้างบนไม่ให้เหยียบดินเลยนะเรียงอยู่ข้างบนท่านยังเล่าให้ฟังเลยแม่เรายังไม่ทําขนาดนี้นะแต่ไก่ทํากับไก่เนี่ยทำอย่างดีเลยนะท่านว่าเวลาดเดินมิตรบา่าเห็นเขาอุ้มไก่ชนเนี่ยใจมันไปอยู่กับไก่นั่ น, นมันปรุงมันแต่งลักษณะนู้นลักษณะนี้เนี่ นี่าขาอย่างนี้เดือยอย่างนี้มันตีมันมีทีเด็ดอย่างนุ้นอย่างนี้พราณนาปุงแต่งท่านมาชอบมากไก่ชนเนี่ยแต่ก็ได้อาศัยบา ร, รมีหลวงพ่อชานะหลวงพอ่อท่านก็แซวอยู่เรื่อยเนะี่ยท่านรู้เหมือนกันนี่ใครชอบอะไรถามแซวให้พระเนฟังอยู่เรื่อยนะใครมีอะไรสุดท้ายก็ได้ออกทุด ง, งอีกครั้งหนึง่ง เดินไปนะไปทองท้าภูมิไปราชบุรีผมก็เดินไปนี่หายไม่เจอกันนานอยู่ๆก็มาเจอกันที่ราชบุรีที่อำเภอจอมบึงเนี่ยมีท่านอาจารย์องหนึ่งท่านก็ไปจากน้องประพงนะ์เนี่ยว่าจะไปเรียนบาลีพอไปเรียนแล้วหัวมันไม่ไปท่านบอกนี่ผลอันหนึ่งนะคือคนถ้าปฏิบัติแล้วไปเรียนมันไม่สำเร็จหรอก ถ้ามาทำกรรมฐานแล้วไปเรียนหนังสือเนี่ยพอไปเรียนเนี่ย ม, มันเบื่อแล้วมันก็จะมีอุปสรรคขัดขวางไม่รู้จะเรียน อ, อะไรตัวนี้มึงจะมาขวางพอขวางแล้วก็เป็นอุปสรรคเอาไปเอามาน้ําหนักทางด้านปฏิบัติมันมากกว่าเนี่ยก็เลยล้มเลิกไปเนี่ยพอลมเลิกก็ไปสร้างวัดอยู่ทางโน้นตั้นก็เลยไปพักอยู่ที่นั้นก็เลยไปพบกันเจอกันเนี่ย องมาแต่จักกวลไปวนมาเนี่ยาเขาเขียวมาเขาฉลาขด้วยกันในประจำพรรษาด้วยกันเองเนี่ยสุดท้ายท่านก็ม า, เ, าเรียนนักธรรมเมื่ออายุมากแล้วหลวงพ่อชัยท่านอยากให้มีความรู้เนี่ยท่านบอกว่าเวลาพรรษามากขึ้นเดี๋ยวเป็นเจ้าอาวาสแล้วไม่รู้เรื่องอะไรมันก็จะแ ย, ย่เรียนหน่อยก็ดีให้จบนักธรรมเอกรุนอยู่ทั้งสองปีนะมาอยู่เขาฉลาขกันท่านถึง สอบนะเรียนแล้วก็ไปสอบสอบเกง่งเลยนะเวลาสอบจริงๆเนะี่ยเรื่องธรรมวินยัยเรื่องอะไรเนะี่ยสอบได้ที่3ที่สมของอําเภอในหนองปะผัด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เลยมีความรู้มีความสามารถท่านก็อยู่ของท่านจนกระทั่งว่าบรณักภาพ เ, เรายังได้ไปร่วม ง, งานศพที่บ้านของท่านนาห น, นองประพงคือบ้านเกอะ นั่นก็คือท่านทนใช้ความอดทนแล้วก็หาอุบายเนี่ยสุดท้ายอายุมากขึ้นมันก็รู้ของมันเองนะมันไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยที่ว่าอยากทำโน้นทำนี่มันก็ทำไปก็เพื่อเครื่องอาศัยการในการดำรงชีวิตเท่านั้นแหละเนี่ยแ่ที่จะมั่งมีให้เป็นเศรษฐีนี่มันเป็นอะไรนะมันเป็นความคิดความอะไรที่มันแฝงด้วย โมหะนะ่แต่สุดท้ายมันเศรษฐีคนไหนก็ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ทั้งหมดตายแล้วก็ไม่มีอะไรติดตัวไปนะแต่ว่าเศรษฐีบางคนเหมือนเศรษฐีในสมัยพุทธกาลก็ดีนะเขาเอาโลกิยทซับมาแปลหรือมาแลกเปลี่ยนเอาอริยาซั์ให้เพิ่มพูนมากขึ้น เห็นไหมอย่างทานอนาะบินณิกะเศรษฐีนางวิสาขาเนะี่ยหรือเศรษฐีได้ละให้คนเนี่ยเขารวยแล้วเขารู้จักเออเอาโลกยทรัพเนะี่ยมาเพิ่มอริยศทรั์หรือโลกุตระทรั์ให้เกิดขึ้นกับเขาได้ตั้งโลงทานนะให้ทานแก่คนยากคนจนสร้างสาธารณประโยชนนะ์สร้างสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลจิตใจก็มีแต่บุญมีแต่กุศลเนะี่ย ก็เที่ยงแท้แน่นอนเนะเขาก็ได้ที่พึ่งตามที่เขาได้สร้างกรรมเอาไว้เนี่ยนี่ต้องคิดให้ดีคิดให้แยบคายมันก็มีอุบายแก้ปัญหานะกับตัวเองได้